ที่ยุราชมงคลทัญบุรีเอฟเอปเุมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะคุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดย ปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8ปดสิบเมเสวัสดีครับ คุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะฮะเจอกันในเช้าของวันที่19กรกฎาคม2562นะฮะเจอกันในช่วงเวลานี้เช้าเช้าของวันศุกร์นั่นเองนะครับทาง FM 89.5 วิทยุราชโมงคนธัญบุรีนะครับวันนี้พบกับผมปิยพงษ์เคนทวายนะครับทำหน้าที่ใช้เดี่ยวนะฮะวันนี้คุณอาทิตยาปกทานังเดินทางไปต่างประเทศนะฮะไปที่ฟิลิปปินมีภารกิจเดินทางไปกับทางครอบครัวนะฮะก็วันนี้มอบหมายให้ผมทาหน้าที่ดําเนินรายการคนเดียวนะฮะแต่ว่าแม้จะมาคนเดียวก็ตามคุณผู้ฟังฮะเรื่องราวของข่าวสารในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเข้มข้น กว่าทุกครั้งทุกคราเพราะว่าผมคัดสรรข่าวมาได้กับมือเลยทีเดียวนะฮะก่อนจะไปถึงข่าวสารในช่วงต่างๆนั้นคุณผู้ฟังฮะเริ่มกันแล้วนะฮะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลวันเข้าพรรษาผ่านมากับวัน อ, อ, อาสาฬหาบูชาและก็วันเข้าพรรษาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านก็บอกว่าเป็นวันหยุดนะนะฮะก็ใช้วันหยุดเนี่ยนะฮะ ในการที่จะไปทําภารกิจนะเดินทางกลับบ้านช่วงเวลานี้นะครับหรือบางท่านก็บอกว่าใช้เวลานี้แหละนะฮะไปทําบุญนะครับหรือไปพักผ่อนนะครับก็เป็นหยุดกลางสัปดาห์บางท่านก็บอกว่าใช้2วันนี้พรฤหัสสุกยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยนะครับแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจภาคเอกชนเองนะฮะก็หยุดเพียง1วัน ก็เริ่มกลับมาทำงานกันเต็มสูบกันเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงคองรมก็ได้มีการเข้านะฮะเฝ้าเพื่อถวายสัตตปิญานกันไปแต่ว่ากว่าจะทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าการาถแถลงนโยบายนะฮะต่อรัฐสภ า, าในช่วงของสัปดาห์หน้านะฮะคงเราคงจะได้เห็นว่าทิทางจะเป็นอย่างไรจะยืดไหม จะยาวไหมเพราะท่านนายกเองจะอ่านถแถลงนโยบายเนี่ยโอ้โหหลายหลราะยร้อ ย, ยหน้าเลยทีเดียวนะฮะที่จะมีนโยบายออกมาอ่ะก็รอติดตามกันด้วยเพราะหลังจากนี้เองเนี่ยก็ในส่วนของแต่ละภาคส่วนเองก็เริ่มเฝ้าติดตามเพราะว่ามีปัจจัยหลากหลายปัจจัยออกมาพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะฮะแม้ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันก็มีผลต่ อ, อาภาวะเศรษฐกิจของเราด้วย แล้วก็นกโยบายของทางภาครัฐที่มีการพูดคุยและก็การถกเถียงกันว่า400บาทเนี่ย420บาทเนี่ยที่มีการแถลงนโยบายไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางภาคเอกชนเองก็มองว่าโหทา400แบบนี้แล้วเนี่ยมีผลอย่างแน่นอนอภาคเอกชนกับ SME เนี่ยคงไม่ไหวแต่ในส่วนของทางหน่วยงานรัฐบาลเองก็บอกว่า ก็มีการถแถลงกันไว้นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจะส่งเสริมจะผลักดันอย่างไรก็รอติดตามหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายในสัปดาห์หน้ากันแล้วนะฮะแต่ถ้า420บาทเกิดขึ้นหรือ400เกิดขึ้นแล้วจริงๆใครได้รับผลกระทบกันบ้างอันนี้ก็มาเฝ้าติดตามกันนะฮะก็ขนลูกขุนพองกันไปพอสมควรนะครับเพราะว่ า, าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองต้นทุนมันต้องเพิ่มสูงขึ้นแต่ในส่วนของคนที่ดูแลกํากับดูแลเองก็มองว่า มันก็ควรจะขึ้นนะฮะคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานเองก็จะได้มีเงินในการใช้จ่ายแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเงินจะไปถึงคนที่เป็นแรงงานจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นแรงงานอานอกระบบหรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวอันเนี้ยก็ต้องมาวิเคราะห์มาดูในมุมมองนี้กันไปอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะงดเล่าข่าาษาเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ฟังฮะผ่านมาแล้วนะฮะเริ่มกันมาอย่างจริงจังนะครับ ก็ถามกันดูว่าหลายท่านเองก็บอกว่าก็เป็นเทศกาลที่จัดกันมาเป็นทุกๆปีนะฮะแต่ว่าก็สิ่งหนึ่งที่ทางสสสเองก็มีการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของชวนคนไทยงดเหล้าเข้าภาษาเองเนี่ยก็เป็นโครงการที่จัดกันมานะฮะแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเชิญชวนบางคนบอกว่าหาช่วงเวลาไม่ได้ปีใหม่ละ่ะปีใหม่ได้ไหมปีใหม่ก็ ก, ก็มี แนวความคิดต่างๆตั้ ง, งปณิธานกันไว้แต่ได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกที่นึงเขาบอกว่าเอาเทศกาลสําคัญอย่างเข้าพรรษานี่แหละสมเดือนเองระยะเวลาสั้นๆบางคนก็ไม่ได้ปรับตัวบางคนจะมาหักดิบในช่วงเข้าพรรษาเองจะทําได้ไหมขนาดไหนเขาบอกว่าแคมเปญตับจากกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้าเขาบอกว่ารโรงต่อเนื่องสิปีแล้วนะครับก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยดื่มลดลง การซื้อเหล้าก็ลดลงนะฮะเพราะว่าแค่2วันวันหยุดเองเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะฮะและก็บอกว่าเฉพาะ3เดือนนะฮะช่วงเข้าพรรษาเองประหยัดค่าเหล้าได้กว่ามื่นกว่าบาทเลยนะฮะปีนี้ก็ชูกลยุทธ์คนหัวใจเพลทหัวใจเพชรนะฮะฟังสร้างคนหัวใจหินโดยเป็นการสร้างแกนนำเลิกเหล้าทั่วประเทศแคมเปญ น, นี้คุณผู้ฟังฮะก็เริ่มต้นกันมานะฮะเพื่อที่จะเชิญชวนกันด้วยทางด้านของผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสท่านด็อเตอร์สุปรีดาอาดุลยานนท์ท่านบอกงี้นะครับว่าเรื่องของแคมเปญ น, นี้เนี่ยนะพบ ว, ว่าคนไทยดื่มลดลงร้อยละ 32.7 ในปี44เหลือร้อยละ 28.4 ในปี60นะครับมีคนไทย 15.9 ล้านคนยังดื่มอยู่และจากข้อมูลการสำรวจภาวะสุขภาพอ น, นามัยของประชาชนไทยมีการตรวจร่างกายครั้งที่5นะฮะปี2 5ง มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3.4 นะฮะลดลงจากปี47อยู่ที่ร้อยละที่อยู่ที่นะฮะร้อยละ 9.1 นแสดงเห็นว่าสิปีที่ผ่านมาแนวโน้มคนไทยเดียดดื่มลดลงสอดคล้องกับข้อมูลค่าใช้ใจ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักเศรษฐกิจคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ลดลงเหลือแส2สีล้านบาทนะฮะจากปี60นะฮะ มาเหลือมาอยู่ที่นะฮะแสล้านบาทในปี48อันนี้ก็ลดลงนะฮะอ่ะส่วนหนึ่งก็เช่นเดียวกันเาบอกว่าในส่วนของแต่ละครอบครัวก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะในแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยฮะตกประมาณสักพันกว่าบาทนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็ น, ปนค่าเฉลี่ยออกมาคือพันแบาทในค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลโกโอฮอล์เขบอกงี้นะฮะทำให้ประเทศเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่ที่1724ล้านบาทกันด้วยนะครับอ้าก็เป็นโครงการดีๆจากสสสใครจะร่วมแคมเปญก็อยู่ที่จิตใจนะฮะแล้วก็คนที่อยู่อรอบตัวคนใกล้ตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องราวข่าวดังกันสันิดหนึงคุณผู้ฟังฮะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า มีผู้ดีสารเสียชีวิตนะฮะผู้ดีสารรถตู้เสียชีวิตเขาเรียกว่าแพรวาที่เขาตั้งชื่อว่าแพรวะา9ศพอะไรประมาณนี้ะนะฮะใ น, ในโซเชียลกันไปกว่า10ปีเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังฮะตัวแทนราชสกุลเทพหาสินมีการถแถลงสแสดงความเสียใจในกรณีชน9้ศพยืนยันที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับพร้อมตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วก็มีการขอร้องนะฮะให้ครอบครัวระวินพิรม์น้อมรับ ปฏิบัติตามคำพิพากษากันด้วยนะฮะย้อนกลับไปในเหตุสะเทือนขวัญ น, นะครับในปี2553ที่นางสาวแพรวาขับรถยนต์ชนรถตู้โดยสารบริเวณบนทางด่วนโทเวขาเข้า หน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อสันติใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจนมีผู้เสียชีวิตทั้ง9กศพซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียหายเองยังไม่รับการเยียวยาทางจิตใจแล้วก็การชดเชยและยังพบว่านางสาวแพรวาเองก็เปลี่ยนชื่อหลายครั้งนะฮะและได้มีการเปลี่ยนนามสกุลอีกด้วยทำให้โซเชียลต่างก็เรียกร้องให้ครอบครัวของนางสาวแพรว่าออกมาสแสดงความรับผิดชอบรวมถึง ในโซเชียลมีเดียมีการไปพูดถึงพาดพิงเกี่ยวกับราชสกุลเทพหัสดินนอยุธยากันด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชสกุลเทพหัสดินนอยุทยามีการออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่าแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุที่ผ่านมาก็ทางราชสกุลเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับย้ําว่ามีการย้ําให้ทางครอบครัวของนางสาวแพรวา ซึ่งชื่อในขณะนี้คือนางสาวะระวินพิรมอรุณวงศ์นะฮะให้ปฏิบัติอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมมาตลอดไม่ใหหนีไปไหนซึ่งทางราชสกุลเองก็ได้ติดตามข่าวมาอย่างแล้วก็ทราบว่านางสาวระวินพิรมเนี่ยได้ถูกตัดสินรับโทษในคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความน้อมรับไม่เคยหนีไม่เคยคิดจะหลบหนีเมื่อสอบถามไปทางครอบครัวของนางสาวระวินพี่รมก็ทราบว่าคดีได้สิ้นสุดแล้วทุกครั้งทางราชกุลก็วางใจและไม่ได้สอบถามอีกประกอบกับทางสมาชิกของราชสกุลเองก็มีการลงทะเบียนไว้ร่วม200ครอบครัวแต่ละครอบครัวเองก็ได้แยกย้ายกันดำรงชีพจนหลายวันที่ผ่านมาทางราชสกุลเองก็ทราบว่าคดีได้สิ้นสุดลงแต่ทางครอบครัวผู้ประสบเหตยุยังไม่ได้ติดต่อ จากทางครอบครัวนะฮะของนางสาวระวินพี่รมเมื่อซาบาทางเราก็ได้เรียกประชุมทันทีแต่เนื่องจากราชสกุลมีจำนวนสมาชิกจำนวนมากการนัดหมายให้พร้อมเพียงกันจึงต้องใช้เวลาเมื่อประชุมเสร็จจึงได้ข้อสรุปหลายประการนั่นเองนะฮะอก็เป็นคดีดังนะฮะที่ทาง สังคมให้ความสนใจรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียที่อยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังเป็นข่าวที่น่าสนใจนะฮะกับคดีของเหตุการณ์นักเรียนม .3 โดนรุ่นพี่ม6ในโรงเรียนจังหวัดนครปฐมเองเนี่ยรับน้องโหดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดนะฮะมีข่าวออกมาว่าเสียชีวิตแล้วนะครับทั้งความความเสียใจของคนในครอบครัวนะครับจากกรณีของน้องกรนักเรียนชั้นม3โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนคปรปฐมถูกรุ่นพี่มห แอบไปทําการรับน้องด้วยการรับสร้อยข้อมือเลดประจำโรงเรียนจนอาการสาหัส ต, ต้องนอนรักษาตัวที่ห้องไ c u ของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมตามข่าวที่มีการนำเสนอไปนั้นนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้องกรเองได้เสียชีวิตแล้วนะครับที่ห้องไ c u โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวถ้าย้อนกลับไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของอ่า เหตุการณ์นะฮะของน้องนักเรียนชั้นมอมตกเป็นเหยือ่อรับน้องโหดถูกรุ่นพี่จับมือไผ่หลังแอนอกนะฮะโดนเตะไป3ามครั้งจนหายใจไม่ออกออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันถูกห้ามส่งโรงพยาบาลทางแพทย์เองก็ปั๊มหัวใจถึง3รอบนะฮะแล้วก็ทางามีการพูดถึงจากสมาชิกนะฮะของรุ่นพี่บอกว่าเป็นธรรมเนียมรับเลสข้อมือจากรุ่นพี่ทากันมาอย่างทุกปีกรณีแบบเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็ถือได้ว่า ต้องมีการติดตามดำเนินคดีจากรุ่นพี่นะฮะที่มีการทำร้ายร่างกายนะฮ ะ, ะจนะน้องนักเรียนดังกล่าวเนี่ยนะฮะจนเสียชีวิตเองนะฮะก็ถือได้ว่าตอนนี้ก็ดำเนินการนะฮะมีการแจ้งไปที่สพคนครชัยศรีกันแล้วนะครับเขบอกว่าทางรุ่นพี่เองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะแต่อยู่ในบ้านที่จังหวัดนครปฐมนี่แหละนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกงดำเนินคดีต่อไป ก็ต้องขอแสดงความเสียใจจากกับครอบครัวของน้องๆของน้องกรด้วยเช่นเดียวกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสังคมไร้เงินสดจากธานบัตรีใหม่รวมไปถึงแชร์สังคมออนไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าวิกฤตท่ามกลางด้วยเงินหลักร้อยเป็นหนี้หลักร้านดักร้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ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 ก้าวต่อไปสู่การเป็นฟันฟืงหลักของประเทศ RMU TT Moving Towards Innovative University กับกลอกข่าวเช้าวันศุกร์นะฮะในวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2562กับผมปียพงษ์เคนถวายทําหน้าที่คนเดียวนะฮะในวันนี้ใช้เดี่ยวนะฮะคุณอาทิตยาปกทานังติดภารกิจนะฮะลาพักผ่อ น, นะฮะไปต่างประเทศนะฮะไปกับครอบครัวมีภารกิจนะฮะก็ไม่ป็รไรวันนี้ติดตามข่าวเข้มข้นกันต่อนะฮะมาดูหลังจากที่คลรามาใหม่เข้าได้มีการเข้า เฝ้าถวายสัตยปฏิญาณกันแล้วนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ออกมาเปิดเผยนะฮะพร้อมผลักดันไทยสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันการทุจริตรวมถึมีการตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยระบบการเงินการคลังของภครัฐทุกวันนี้ทําธุรกรรมผ่านระบบ e p เมมเป็ก็เพื่อสร้างความแสดงความโปร่งใสปิดช่องทางทุจริตคอร์รัปชันและก็ผลักดันไทยเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบกันด้วยนะครับ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะสาวนาย น, นะฮะในฐานะอีกหนึ่งตำแหน่งคือหัวหน้าพักพ ล, พลังประชารัฐเองมีการโพสต์ผ่านแฟนเพจ Facebook ถึงความท้าทายใหม่ของกระทรวงการคลังว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินในสังคมไทยค่อนข้างชัดเจนคือการใช้เงินสดกาลังถูกแทนที่ด้วยระบบชาระเงินดิจิทัล คนเริ่มถือเงินสดไว้กับตัวน้อยลงสิ่งเหล่านี้กำลังจะนำไปสู่สังคมไร้เงินสดนะฮะ Catch rate society ที่หลายประเทศเองก็ได้ล้มหน้าไปแล้วซึ่งทางรัฐมนตรีเองก็เคยพูดในเรื่องนี้มาบางส่วนนะครับท่านนี้ก็อยากเพิ่มเติมในบางแง่มุมคือสังคมไทยต้องก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบเหมือนประเทศอื่นๆซึ่งวันนี้ก็มีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเริ่มเห็นผู้คนโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์กล้าชําระข่าวน้าข้าวไฟจองตั๋วเครื่องบินที่พักและอื่นๆผ่าน e ีไวเ e มากขึ้น นี่คือก้าวแรกของสังคมไร้เงินสดนั่นเองนะครับกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้เริ่มยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติซึ่งก็ช่วยผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดในประเทศได้เร็วขึ้นซึ่งทางาระบบนี้นะฮะ National e-payment เองเนี่ย นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสังคมไร้เงินสดแล้วยังช่วยประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณสามารถตรวจสอบย้อนลังกลับได้ป้องกันปัญหาการทุจริตอีกด้วยโดยเฉพาะระบบการเงินการคลังของภาครัฐในวันนี้การทำธุรกรรมผ่าน ร, ระบบ e-payment เองก็เพื่อความโปร่งใสปิดช่องทางช่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลชุดนี้ นะฮะท่านรัฐมนตรีท่าน อ, อุตมะก็บอกอีกว่าผมเห็นว่ากระทรวงการคลรังยุคใหม่จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลนะฮะและก็ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการเงินใหม่ๆเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่และก็สร้างความโปร่งใสให้กับคลังของรัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างยิ่งอ่ะอันนี้ก็หยิบมาในมุมหนึ่งนะฮะจากกระทรวงการคลังที่พูดถึงเรื่องของสังคมไร้เงินสดนั่นเองนะครับ ก็ทุกวันนี้ก็มีการพูดถึงกันนะฮะว่าโอ้โหน ะ, ะไม่ค่อยจะพกเงินกันละนะฮะเป็นสังคมไร้เงินสดจะซื้ออะไรทีเนี่ยก็ลำบากนะฮะแบบโอ้บาท20บาทบางคนเจอกันเอะก็โอนกันนะฮะโอนเงินกันก็ง่ายนะฮะพร้อม พ, อ ม, พอมเพก็ว่ากันไปนะครับมาปิดท้ายเรื่องราวเบาๆกันส น, นิดนึงคุณผูฟังฮะถึงแม้ว่าจะเป็นกลางเดือนมีโลกโซเชียลมีเดียจากพันทิปนะฮะ ก็มีการเขาก็ตั้งประเด็นกระทู้พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องก็ขออนุญาตหยิบยกมาแชร์มาเล่าต่อกันสินิดหนึ่งในช่วงของกลางเดือนแบบนี้นะครับชาวเน็ตร่วมแชร์ประสบการณ์วิธีฝ่าวิกฤตกลางเดือนด้วยเงินหลักร้อยแต่เป็นนี่หลักร้านกันบ้างนะมาดูกันสมาชิก หมายเลข1 9ึ่งามีการตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาแชรประสบการณ์ที่ลำบากสุดในชีวิตค่ะเขาบอกงี้ตอนนี้เรารู้สึกลำบากมากเลยโดยระบุว่าตอนนี้เราเหลือเงินใช้แค่เดือนละ 5,000 หากค่าจะจ่ายทุกอย่างแล้วเราลำบากแบบนี้ไปจนกว่าจะสิ้นปีสาเหตุเพราะนี่ส่วนตัวนะฮะและภาระทางบ้านที่ต้องส่งน้องชายเรียนมหาวิทยายลัยนะฮะอยากเปิดอยาก อยากให้ถึงปีใหม่เร็วจังนะฮะเพราะใช้เงินถึงปีใหม่นะฮะทั้งเรานี้ก็มีสมาชิกเข้ามาแชร์กันเยอะเลยนะฮะเขาบอกว่าก็าเยอะแค่ไหนก็ซื้อข้าวถุงหุงข้าวเองห่อข้าวกล่องไปกินที่ทางานก็อยู่ได้สบายๆเรามีคนสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะก็บอกว่าเราเคยเหลือเงินแค่700บาทตอนผ่อนคอนโดรแรกๆบวกกับค่าเฟอร์นิเจอร์อีกยังผ่านมาได้เลยนะฮะ สมาชิกท่านนึงนะฮะก็บอกว่าโชคดีจังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วยังมีเงินเหลือตั้ง 5,000 ให้ใช้ผมเหลือเงินแค่50บาทในวันที่20ของเดือนจนต้องลา ง, งานเพราะไม่มีเงินไปทำงานจังหวะดีที่ป่วยจริงๆอ่านะฮะก็บอกว่าวันนั้นป่วยมีเงิน50บบาทตัดสินใจไปว่าจะซื้อยาหรือซื้อ บะหมี่กึ่งเสบียูปมากิน5วันตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งเสบียูปเพราะทนไม่ไหวเป็นไข้อาศัยนอนพักผ่อนเยอะๆกินน้ําเยอะๆหวังไข้ลดนะฮะนอนแบบนี้กินเท่านี้อยู่5้าวันรอเงินเดือนออกอีกท่านหนึ่งคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าแนะนําครับเมนูประหยัดตําลึงผัดอาบตําลึงผักบุ้งเก็บมาผัดกะปินะฮะผัดน้ํามันหอ ย, ห, อยหรือต้มซื้อถั่วเขียวมาเพราะเป็นถั่วงอกนะฮะ หรือต้มไปเปื่อยใส่น้ําเยอะๆนะฮะกุ้ยน้วาว้าหวี่สิบห้าบาทลงทุนซื้อน้ำผึ้งหึ่งขวด125บาทแช่ไว้นะฮะได้อาหารเช้าถูกและมีประโยชน์มากเมนูไขายเยอะแยะครับวันละ2ฟองทั้งเดือน160บาทเข้าสารถุง99บาทรวมแล้วค่ากับข้าวไม่ถึงพันอันนี้เขาก็แนะนําวิธีการนะฮะอีกท่านหนึ่งผู้ฟังฮะท่านบอกว่าเคยเหลือ 2,500 บาทต่อเดือนแต่โชคดีที่เราทํางานโซนโรงงานสมุทรปราการ ทำข้าวผัดหมูทานได้2มือ้อนะฮะทำข้าทำผัดผักทาน2มือ้อปลากระป๋องผัดผักทานได้2มือ้อนะฮะกับข้าวทำเองน ะ, ะวัตถุดิบ5 0า0บถึงบาททานได้2มือ้อหุงข้าว1ครั้งแบ่งใส่กล่องฟิสทานได้ 2-3 ถึงวันประหยัดนะฮะเติมน้ำมันรถจักร ย, ยานยนต์เดือนละ200บาทกินกาแฟฟรีที่โรงงานเขาบอกงี้นะฮะ วงจรแบบนี้เป็นมาประมาณ2ปีแล้วอีกท่านหนึ่งเขาบอกงี้นะฮะสุดท้ายผ่านมาได้แบบงงๆเหมือนกันเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่หมุนเงินคนหาไม่ได้ใช้เงินเดือนเข้าแล้วออกเงินเดือนของเดือนหน้ามีรายจ่ายรอจ่ายคิดแค่แค่คิดก็หมดพลังเราจึงไม่คิดออกวิ่งให้ใหายให้เหนื่อยอาบน้ํานอนหลับสบายไม่ต้องกังวลเป็นกําลังใจให้นะฮะและสุดท้ายเขาบอกว่าอีกท่านนึ่งเขบอกว่ามีหนี้บัตรเครดิต10บกว่าใบร่วมล้านกว่าบาท ไปทำงานบางวันมีเงินติดตัว5บาทกินข้าวกับแม่บ้านบ้างเจียวไข่กินข้าวเหนียวหมูปิ้งเงินเดือนต่อเดือนไม่เหลือไม่ถึงพันนะฮะกรอกนานที่ทำงานกินตอนนี้ผ่านมาได้5ปีนี่เป็นศูนย์แล้วนะฮะเขาบอกว่าสำคัญคือสู้ๆมีวินยัยอดทนจะนำพาชีวิตของเราเจอทางออกปัจจุบันไม่มีบัตรใดเลยนะฮะพั 5, นนีถือว่าเยอะต่อเดือนในกรุงเทพก็ถือว่าเหลือใช้ไม่ลาบากนะครับ ที่หยิบยกแบบนี้มาคุณผู้ฟังฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเองครึ่งปีนะฮะสนุกสนานกับการใช้จ่ายนะฮะแล้วก็อาจจะต้องบางทีอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจนะฮะมีหนี้สินเยอะพลุงพลังเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งสาคัญให้กาลังใจแล้วก็ลองทำรายรับรายจ่ายแล้วก็วางแผนการใช้จ่ายเงินของเราดูอันไหนที่ใช้ก่อนใช้หลังวางแผนกันอย่างไรบางคนเนี่ยซื้อของกิน นะฮะไม่ได้ทำกับข้าวเองลองทำกับข้าวนะฮะมีกับข้าวกับข้าวทำเองลองดูจะช่วยประหยัดเยอะมีอาหารที่จะปรุงได้มีตู้เย็นที่อยู่แล้วเนี่ยลองซื้อมาตุนแล้วก็ลองทำกับข้าวตื่นเช้าก็เดิมมาลองทำหรือบางคนบอกว่าตื่นเช้าไม่ไหวทำใน ต, ตอนเย็นแล้วก็รัดใส่ถุงไว้นะครับก็จะช่วยได้อันนี้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งหลายๆท่านสหรับ โหเงินมันมันช็อตเดือนต่อเดือนชนเดือนแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินที่เราเหลืออยู่มีเท่าไหร่ลองเอามาเขียนดูซิว่าอ่านี่แต่และอย่างเราต้องจ่ายอะไรกันบ้างที่เหลือเราต้องวางแผนการใช้เงินขนาดไหนอย่างไรเพื่อรับมือกันเพราะว่าชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้บางคนบอกว่าโหแค่แบบนี้ก็ผ่านมาได้นะฮะแต่ที่สําคัญก็คือ อยากให้ทุกคนผ่านพ้นการเป็นหนี้จะได้มีเงินเหลือได้เก็บไว้ใช้และได้มีความสุขเห็นเงินที่เหลืออยู่ใช้อย่างเต็มศักยภาพเต็มอิ่มเต็มความอยากของเรานั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของกรอบข่าวเช้า ว, วันศุกร์ศุกหนะ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันสุขที่25นะฮะน่าจะมีแนวทางในการถแถลงนโยบายของคอรมอกันเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันด้วยนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณสำับการติดตามรับฟังกรอบข่าวเช้า ว, วันศุกร์เดี๋ยววันนี้นะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดี เอฟมสบเุดหรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี มาถึงที่หนึ่งสิ่งงและเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังคือความ 975วิทยุ 95, you, ราชมังคลทัญญาุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th ท 02-691-7738-9